ดิ่านภูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตว์สัตตะเขาแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าพูกข้องยังติดยัคล้องพายพาให้ล้องเพียยงตำานักก่อสร้างกันแล้วท่านพันธนาไว้ตั้งหลายภกหลายภูมิเพื่อนแน่ตั้งแต่ภูมิ หรสอสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นทึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเทื่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้เป็นชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักจะสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด นะแตนมะโรคอวิชีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายกลายฟองยังต้องไปนหิยวนักต่อสู้ทำไมอะไรทำท่า ท, ำทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนกามาพบรู้พบอรูพบท่านพูดว้ตคงฟ้างสาม ในโลกเ่านี่ก็มีมากนอ้อยอย่างไรใครจะเป็ น, นําำได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ทเกิดที่อยู่ในที่มองเห็นด้วยการเนื้อก็กมีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อเป็นละเอียดแม่จะเป็นด้านวัตถุแต่มันสามารถมองเห็นด้วยการเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนมามธรรม พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันเป็นมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเลย่อลยเล ย, เล ย, เลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเมื่อตานี้แล้วเราจะหาที่เหยียบยางไปไม่เลยเต็มไปด้วยจิตปริญฎญกเต็มไปเลยพบโดยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด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 เรายังจะมาสงสัยอยู่เลย ว, ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดถึงเวลานี้เยเลือนแผนดินอยู่นี่เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเปิดก็แสดงเห็นดูทุกแห่งทุกหนทั้งหยากทั้งละเอียดทั้งในาน้ําบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เยังสงสัยอยู่เหรอว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด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 ทําไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาเที่อะเนี่ยว่าสิ่งไม่มีน่ะไปโดนเอาหูโดนเอาเพราะน้นเราไปเหยียบฝากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในขนาดที่เหยียบแต่แล้วกวับน้ำที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงทอนนี้กขาพอทราบได้ว่าคนเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองแม้แต่น้ําบบหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ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 มันไม่ศูนย์ที่มันถึงมาเกิดให้เห็นเกิดทั้เห็นตายเห็นนิ่นน่ะมีด้วยเนี้ยสิ่งไม่ศูนย์น่นะมันต้องมีเกิดมีตายให้เห็นดีชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อเราเองไงความรู้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สูงของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้ เนี่ยแต่ทําไมจึงไปสามารถอาจเอื่อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมั น, นโง่สองท่านสามท่านเรายังเชื่อว่าเราฉลาดอยู่หรื อ, อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม่นยาตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดิน โรกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าแห่งาศาสนาธรรมท่านสอนไว้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรือโอวาดแต่เรายังไม่เห็นโอวาดซึ่งเป็นของแท้ต้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองใ น, นขณะเดียวกันมันกำลันลบล้างสาระคุณอะไรทังเราออกหมดกลายเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลย เพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขานสิ่งที่กินเราไม่ให้เป็นตามความกิงของเขาเนี่ยถ้าไปลบล้างเสียหมดมันไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีอยู่เพราะทุกชาตสะท้อนกลับมาหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งหล่อม <c oughs> นี่เป็นการดีมากว่าศาสนาเรามีถึงได้มาพบพระพุทธศาสนาศาสนาธรรม มันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติถวายกายว า, า, ายจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำลงตน่ด้วยศีล้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาคือว่าเป็นวาสนาของเราโูที่ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนี้มีจำนวนมากมายขายกองอพระพคุ ที่ันเป็นอย่างนี้มันจะมีจำเป็นเดยอะหรือไม่ถึงเป็นธรรมชาติถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วอเรานับพนัในจํานวนเปอร์เซ็นตอันนี้แต่พอหรือไม่พอพนักหนในจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่ที่วันหนึ่งเปอร์เซ็นหรือไม่พอเปอร์เซ็นต้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชั้นชาติภายในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิ ด, ดที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ต ่ผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเหมือนเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตภาวานาคดสาวก็จะหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทวพันธ์นอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดหมดไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆตรเหมืนอนว่าเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราซะจริงๆนี้เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี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 เปด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมันมามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นด้เฉยดูด้เฉยต้อ ง, งจับได้สัมผัส ด, ด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นน่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นน่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่ละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดำเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแต่เราพุดมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้นๆ้วนผู้ยนจิตตภาวนานั่นแหะเป็นผู้ที่จะทราบในชัดเจนพานาิตมันกรเพิ่มทั้งวันจิกตลอดเวลา ก็เพิ่มเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาสแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็ดูเพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตรภาพนุ่นคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความค้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกลียดก็ติดนั่นอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น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 Cries, แจ่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นภารกิจแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนักลำหนอันใดที่ควต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรูดด้โดยสติปัญญาเนี้ยมันต่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาดุนเข้ามาดุนเข้ามา ปล่อยตั้งแต่คนว้างเข้ามาวงแฉกต่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือ น, นิดมันก็รหลูนี่เชื้อแห่งภบยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภบคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในเดียร์จิตมันรู้ทัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดๆยังมีมากมีน้อยเมื่อตัมเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา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 ที่นี่จิตนี่ศูนย์ไหมนี่ซ้ากับอีกสิทิงเมื่มีอะไรเนื่องต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายตะเกิดต่อไปอีกนี้เป็นอนันลาหมดปัญหาแล้วตะขิดตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี้มันศูนย์ไหมนั่นอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่ะแล้วอะไรมาศูนย์นี่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนออเด่นจนพูดไม่ถูกฮะมันขัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชั่วปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิตให้พาเกิดภาตายให้ภารักังภายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนเครื่องมันที่มีอยู่นใจได้หมดทิ้งไปแล้วไม่มีอะไรเนื่อนต่อแล้ว <S <S แล้วผู้ที่ไม่มีเนื่อนต่อตนเอง <S 2> <S 2> คือผู้บริสุทธินี้ศูนย์ไปไหมถึงงานองค์นี้อวามชัดชัดไหนแล้วจะลบได้ไหม ลบความจริงที่มันมรู้อย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมแฮมใครจะไปลบก็รู้อยู่ ก, ก็ก็เรียนเพื่อความจรินกิงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความเบริอสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงแค่จะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อ มันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกอะผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่นี่อยู่อย่างนี้่นี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้นี่อยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานังปรมามังสุญญะ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 คุณนี่จะสูญไปได้ยังไงผู้นี่จะสูญไปไหนที่นี้ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนะนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณมาสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรามังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้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 เกิดโทษโลกดินแดนตายโทษโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันไดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกียบก็เรื่องความทุกข์ความลําบากชาติไปดูขาชะละไปดูขามานําไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกสําระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าสึกแล้ว ธรรมชาตินี่แลคือวิวัตตหนักกลับกันแล้วโลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แนละ้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริรสุทธิ์ฉะนั้ น, นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เรื่นี้นธรรมท่านว่า สวาขาโตรพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพูดภาคเจ้าตรักไว้ชอบแล้วงานทั้งสิ้นชอบทุกจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องตน้นเป็นอาธิกนิยานังเหตุไพรละเพราะคิ้งเต็มไปด้เหตุด้วยผลทั้งเบื้องตน้นพัดเชกนิยานังไพร่ะเพราะคิ้งเต็มไปด้เหตุด้วยผลเป็นไปด้วความถูกต้องดีงามทั้งธรรมการประโยนะประโยสานะคณิยานังไพร่ะในที่สุด คือทราบซึ่งเป็นไปด้วยเหตุโดยผลด้วยลลความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตําหนิติเตียนพัฒน์ที่จะไปทอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้หน้าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักฐานส่วนขาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสทาให้ฝืน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 ทำท่านไม่รับเออทำทำท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวขาธรรมนี่แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะหรับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมพญานจิงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีนี้ต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด่วนมากของกิเลสที่ทให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกปรมาณชําระสารสิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื้อดำมีความพอใจบําเพ็ญศีลบาเพ็ญธรรมถ้ามีเป็นกิเลสร้นล้ น, ลนเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยะแล้วว่าเรามุ่งวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาตปบาเพ็ญศีลเดิดเ น, เ ป, นเป็นคาบําเพ็ญภาวนามีชื่อแบบที่เด็ทขางเราบาบาลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มีความพออกพอใจมีความเกื่อความสนใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราทีเด็ดมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน ถามมีแต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากเท่านั้นแล้วไม่สนใจจะทํำสนใจจะเริ่มจะปีนเปลี่ยวกับความจริงความถูกต้องมีงามโดยถ่ายเยียวจึงรับเอาแต่ความทุกข์ความลําบากมาใส่ตนมันว่าจะอยู่ภบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติทั้นมันณะไม่มีภาษา ม, มันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครั้งแห่งวิบัติคือผู้รับผลนั้นจึงต้องได้รับความถูกความทผิ์ที่ตนสร้างขึ้นทำขึ้นมากน้อยลีกหบหลีกฝึกตัวไปที่ไหนไม่ได้ mm. การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหลายเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นต่อการทั้งเรื่องที่ในในทั้งเรื่องชาระทั้งเรื่องแกอืขต้องฝืนตุนติเลห์นี้ต้องฝืนเพราะทิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อัดได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากภูจาอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับทิเลห ส, สู้ไม่ถอย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 ขึ้นชื่อว่าทําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยสรางอัตภาพนี้ให้ตายเะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดย่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานตังค์สเด็ดไหมจิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอดวงที่ล้มลุกคุกครั้นแหละ เวลาฟิดตัวขึ้นฟิดตัวขึ้นโดยอด้วยธรรมได้รับการสุกฝนอบรมมือกําลังมังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับเพกตาระจา ก, กับใจ <c oughs> นั่นแ่ละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลย <c oughs> สัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดี <c oughs> เขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้ก็ต้องเสียใจ <c oughs> แม้จะทํำมาเล่นก็ตามมันยังเสียใจ ที่เรื่องของมรรตรองสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องพิเรศ ก, กับเราเป็นเรื่องความทุกความทุกแค่แล้วการแพ้สิ่งเหนี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาชิดเลไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยๆล่ะเอาให้สู้ให้ได้นจนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลําดับและไม่ให้มีคําว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้ ร, รักษย ถ้าลงรับชนะไปเลยแล้วทีน่นี่อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยแหละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตเลศทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตเลศทั้งนั้นเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงสนเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรเครื่องกัน้นกลาง ักันกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดแต่มีหลักงานของเรางานรื้อพบรู้ชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสาคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตะความหมุนของใจเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไปพบนั่นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกลับเยียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกําลังความสามารถหากจะได้เกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียขีไปภพไหนก็ไปก่อกามาให้ไปนี่ระวังเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยมาเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีนัะเหรอความสิ้นท่าทายายเป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างหิจใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พริชาจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิยไม่ทําอะไรทํากลางแห่งบาปนี่นแหละคนเราแห่งบาแห่งชีวิตตัณหาซะวะ่าแห่งบุญคือความดีว่าสนางตนนั้นแหละ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 การผ่านไปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหให้ผ่านไปได้เท่ามีความดีไปไม่ได้เนะี่ยอยากไปด้วยกันทุกคนแหละทําไมจึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเพรานั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลําบากนี้เลยแม้แต่ศาสตร์เขาอย่างตัวทําไมมนุษย์ชนะกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไแบกขามอยู่ทำไม ท, ทั้งที่รู้อยู่นะี่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู่ ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าวัดความอยากนั้นสําเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนี่ยหนไม่ขึ้นอยู่กับความอยากเพียง่านั้นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวเนยต้องไต่นั้นก็มีเวลาถึงถึงที่นี่ถึงที่นั่นถึงนั่นถึงที่นุ่นเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางทีเรียนนั้นทุกขธรรมเจติติหนักคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับลาดับเพราะความเพียรพยายางนี้เป็นหลักใหญ่ นี่แหลเป็นธรรมของพระพุธธทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียนไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอ <S <S เราเป็นลูกศิษยถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงนอะไรถ้าหมายเป็นลูกท่าเห ล, ธธา <S <S ล่ากอสอมพระุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพองพวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังมันก็เข้ากันไม่ได้ <S <S เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป แต่ชาลีเนียวก็ตามขอความพยายามของเราเป็นไปตามตติกำลังความ ข, ของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูอสอนดําเนินตามครูวาสานาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญผู้ที่เจ้าครูสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาหนักพอเราสร้างอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนหลวดาว ความจริงต้องเป็นเครื่อสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระกธุธลจานั่นแหละนังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าขึ้นน่พยายอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้เอสู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปแล้วทั้งแพ้ทั้งชนะสับนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเข้ามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอืพ้นกิเลสมอบนอกจากหมอลักหาที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลืออื่าทกิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นคุกข์คนอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสสาดอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเนเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองน้องนั้นมันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ย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 ให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นจุดเี่ยวกับสุขโตสุขโตดูก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสาําญขอจึงขอยุติการแสดงถึงตน